การขบชันของพระธุดงคกรรมฐานที่เขียนผ่านมาได้กล่าวถึงบาทและขนาดของบาทพระกรรมฐานซึ่งถือเป็นบริการจําเป็นทั้งยามปกติและเวลาออกเที่ยววิเวกเพื่อบําเพ็ญสมณธรรมยามปกติถ้าอย่างฉันอยู่ท่านจําต้องออกบินทบาทเป็นกิจวัตรทุกวันและชั้นในบาทเป็นประจําเวลาออกเที่ยวกรรมฐาน ก็อาศัยบาทเป็นภาชนะสำหรับใส่บริคารต่างๆเช่นเดียวกับคารวาสหรือกระเป๋าเป็นเพื่อนเดินทางการฉันจังหันของพระกรรมฐานท่านฉันสำรวมดังกล่าวแล้วเวลาไปบินทบาทกลับมาถึงที่พักหรือวัดแล้วก่อนฉันถ้ามีหลายองค์ด้วยกันเช่นอยู่ในสำนักหรือออกเที่ยวด้วยกันหลายองค์ในบางครั้งที่ท่านเคยปฏิบัติมาเมื่อได้อาหารมามากน้อยจากบิทบาทต่างนำอาหารต่างๆออกจากบาทมาแก้รวมกัน แล้วแจกจ่ายใส่บาตรให้ทั่วถึงกันเสร็จแล้วถ้ามีญาติโยมตามออกมาแม้แต่คนหนึ่งขึ้นไปท่านอนุโมทนายตหาสัพพีก่อนแล้วค่อยลงมือฉันแต่โดยมากมักทําอนุโมทนาอยู่ในบ้านเสร็จแล้วค่อยออกมาโดยญาติโยมทําร้านเล็กๆไว้ในบ้านแห่งหนึ่งหรือสองแห่งเพื่อท่านนั่งอนุโมทนาเสร็จแล้วค่อยออกมาญาติโยมจึงไม่ค่อยตามมา มีอะไรเขาก็เตรียมใส่บาตรให้พร้อมเสร็จเมื่อจัดอาหารใส่ในบาตรเสร็จแล้วท่านเริ่มทำความสงบอารมณ์พิจารณาปัจเจเวคขณะปฏิสังขายนิโสในอาหารชนิดต่างๆที่รวมในบาตรโดยทางอนิจจังทุกขังอนัตตาบ้างทางปฏิกูลสัญญาบ้างทางทาธาตุบ้างตามแต่ความถนัดของแต่ละท่านจะพิจารณาแยกคายในทางใด อย่างน้อยประมาณหนึ่งนาทีขึ้นไปแล้วค่อยเริ่มลงมือชันด้วยท่าสำรวมและมีสติประจำตัวในการครบชันไม่พูดสนทนาเรื่องใดๆในเวลานั้นนอกจากความจำเป็นจะต้องพูดก็ทำความรู้สึกตัวไว้แล้วค่อยพูดตามความจำเป็นแล้วหยุดก่อนจะพูดก็รอให้อาหารหมดในมุกทวารก่อนค่อยพูดออกมาอย่างชัดถ้อยชัดคำ ไม่ให้มีเสียงรัวเรียอันเป็นการผิดมัรยาทของการพูดในเวลานั้นขณะพูดก็ตั้งใจทําหน้าที่ในการพูดจนจบก่อนแล้วค่อยลงมือฉันต่อไปด้วยท่าสํารวมตามปกติมีสติระวังการบทเคี้ยวอาหารไปทุกระยะไม่ให้มีเสียงดังกรอกแกรบมูมมามซึ่งเสียมารยาทในการฉันและเป็นลักษณะของความเผลอเรอและตะกละตะกลามตามองลงในบาท ทำความสำคัญอยู่ในบาตรด้วยความมีสติไม่เมอมองสิ่งนั้นสิ่งนี้ในเวลาฉันอันเป็นลักษณะของความลืมตัวขาดสติขณะฉันก็พิจารณาไปด้วยตามความถนัดในแง่แห่งธรรมะโดยถืออาหารที่กำลังฉันเป็นอารมณ์บ้างถือธรรมะที่เคยพิจารณาประจำนิสัยเป็นอารมณ์บ้างแต่โดยมากท่านมักพิจารณาอาหารที่กำลังฉันมากกว่าธรรมะอื่นๆในเวลานั้น การฉันในท่าสำรวมด้วยความมีสติพิจารณาด้วยปัญญามาเกิดอุบายแปลกๆขึ้นมาในเวลาฉันเสมอบางครั้งถึงกับเกิดความสลดใจขึ้นมาในเวลาฉันก็มีจนต้องหยุดฉันไปพักหนึ่งหรือหยุดเลยก็มีเพราะรสแห่งธรรมะที่เกิดขึ้นในเวลานั้นมีความสำคัญเกินกว่าที่จะมัวเพลิในรสแห่งอาหารที่กำลังฉันอยู่มากมายการหยิบอาหารใส่มุกทวาร ก็มีสติประจำไปทุกระยะเช่นเดียวกับการทำความเพียในท่าอื่นๆเพราะการขบฉันก็เป็นกิจวัตรของพระข้อหนึ่งไม่ได้อยกว่ากิจวัตรอื่นๆอันเป็นเครื่องถอดถอนกิเลสภายในได้เสมอกันถ้าไม่ประมาทเพลิดเพลินไปกับรสอาหารเสียจนลืมตัวการขบฉันจะกลายเป็นเรื่องโลกโลกไปไม่เป็นกิจวัตรประจําองค์พระผู้หวังเห็นภัยในทุกสิ่งที่อยู่ในความสามารถ อาจรู้เห็นในสถานที่และอิริยาบถ ท, ทั้งปวงดังนั้นการครบฉันครูอาจารย์ทั้งหลายมีท่านอาจารย์มั่นเป็นต้นจึงถือเป็นกิจสําคัญเสมอมาขณะฉันจะมีพระอยู่ร่วมกันจำนวนมากเพียงไรก็ตามย่อมเป็นเหมือนไม่มีพระอยู่ในที่นั้นเลยเพราะมิได้พูดคุยกันต่างองค์ต่างทาหน้าที่ของตัวด้วยความสงบสํารวม เนื่องจากท่านถือการฉันเป็นกิจวัตรที่ควรสนใจอันเป็นธรรมะเช่นเดียวกับกิจวัตรทั้งหลายประเพณีของพระกรรมฐานเคารพในครูอาจารย์และเคารพในการละกันประเพณีของพระกรรมฐานมีความเคารพในหัวหน้ามากถ้าหัวหน้ายังไม่ลงมือฉัน ท่านก็ยังต้องรอจนกว่าหูหน้าลงมือฉันไปบ้างแล้วพระอันดับจึงจะลงมือฉันกันต่อไปถ้าครูอาจารย์ผู้ใหญ่ไม่อยู่ก็เคารพองค์ที่รองลงมาโดยมาสสานักกรรมฐานท่านปฏิบัติอย่างนี้เรื่อยมาจนทุกวันนี้ยังไม่ปรากฏว่ามีการเปลี่ยนแปลงแต่ต่อไปข้างหน้าก็น่าสงสัยเพราะโลกมีการเปลี่ยนแปลงและนับวันเจริญพระกรรมฐานอาจเปลี่ยนแปลงและเจริญรอยไปตามโลกก็เป็นได้ รักคำว่าความเจริญใครๆก็ต้องการราเนนก็เป็นคนมีหัวใจเช่นเดียวกับโลกจะไม่ให้ต้องการความเจริญกับเขาก็น่าพิสวงสงสัยสำหรับท่านที่แกฉรามากและพอเป็นรัตตันยูในทางโลกและทางธรรมมาพอสมควรแล้วอะไรจะเจริญหรือเสื่อมท่านคงไม่มีความสามารถอาจรู้อะไรกับเขาได้คงเป็นครัวตาเฝ้าวัดอยู่ เพียงรอลมหายใจถึงวันอาวาสานแห่งขันไปวันวันเท่านั้นเองผู้เขียนนี้ก็ไปอีกแง่หนึ่งได้แต่เขียนไปแบบหลงตาโดยไม่สำนึกว่าท่านผู้ใดจะสนใจหรือไม่เพียงไรมีแต่เขียนร่ำไปแบบหลับหูหลับตาอย่างนั้นเองกรุณาอย่าถือสาตอนใดประโยคใดไม่เป็นสาระพอจะสละเวลาอ่านได้กระุณาผ่านไปจงวนเวลาไว้ทาประโยชน์อย่างอื่นที่มีคุณค่าสาระกว่า ก็นับว่าเป็นผู้รู้จักคุณค่าของเวลาเฉพาะท่านอาจารย์มั่นก่อนฉันท่านพิจารณาอยู่นานราวกับทำภาวนานั่นแหละบางวันตอนเ ย, นอย็นเย็นหรือกลางคืนโอกาสดีท่านยังเมตตาเล่าเรื่องการพิจารณาปัจเจเวขณะในเวลาฉันให้พวกเราฟังว่าธรรมะมักปรากฏขึ้นในเวลาฉันเสมอบางครั้งเกิดอุบายต่างๆขึ้นมา ทำให้ติดตามคิดอยู่หลายวันก็มีบางครั้งเกิดความปฏิกูลเบื่อหน่ายขึ้นมาจากอาหารในบาทถึงกับจิตเกิดความเบื่อหน่ายในอาหารไม่ยอมชั้นก็มีตอนนั้นเป็นสมัยที่ท่านกำลังปฏิบัติเย็งเข้มงวดกวดขันเอาจริงเอาจังเมื่อเกิดความรู้ที่กระเทือนธรรมะขึ้นมาต้องใช้อุบายปรารามแก้ไขกิเลสประเภทเบื่อตัวเองคือเบื่ออาหารกันอย่างหนักหน่วงจึงยอมรับและลงสู่สภาพความจริง คือสายกลางได้มีฉะนั้นจิตจะไม่ยอมฉันเอาเลยโดยเห็นอาหารในบาทเป็นจุดๆอะไรไปหมดในที่นี้หลวงตาท่านละไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับซึ่งน่าจะหมายถึงเห็นเป็นของปฏิกูลหรือเห็นเป็นเช่นเดียวกับของเสียที่ร่างกายต้องขับถ่ายไปทั้งหมดการบังคับให้ฉันในเวลานั้นจึงเป็นเหมือนคนที่ถูกบังคับให้เข้าไปชมความสวยงามของคนตายในป่าช้าฉันนั้น ต้องพิจารณาแก้ไขกิเลสประเภทบางเงาซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนอย่างเอาจริงเช่นเดียวกับพิจารณาความงามให้เป็นของปฏิกูนนั่นเองจิตจึงลงสู่สภาพเดิมได้และชันได้อย่างธรรมดาต่อไปจากนั้นต้องใช้อุบายหลายด้านประสานกันไปคือทั้งให้รู้ทั้งให้รอบตัวทั้งให้กลัวทั้งให้กล้าสลับสับปนกันไปแต่ที่จิตแสดงความรู้ในลักษณะ น, นั้นขึ้นมาก็ดีอย่างหนึ่ง ทำให้สติปัญญาความแยบคายพลิกแปลงใช้ได้หลายสารหลายคมทันกับกลมารยาของกิเลส ต, ตัวแสบลิ้นปล้อนหลอกลวงได้ดียิ่งจิตมินิสัยผาดโผลโลดเต้นด้วยแล้วจะพิจารณาไปธรรมดาไม่ได้ต้องไปเจอเอากิเลสประเภทสวมรอยเข้าจนได้ฉนั้นจึงกล้าพูดอยู่เสมอว่าสติปัญญาเป็นอาวุธสำคัญในวงการพิจารณาธรรมะทั้งหลายทั้งยหยาบละเอียดมีสติปัญญาเป็นเครื่องมื อ, อยางเอก ไม่ยอมแพ้ อ, อะไรเอาง่ายๆดังเราพิจารณาอาหารในบาศให้เป็นของปฏิกูลเพื่อตัดความผวงหลงรถให้ปรากฏสักว่าธาตุหรือธรรมะเพียงอาศัยกันไปวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นแต่เวลาปรากฏขึ้นมาในจิตขณะพิจารณาเลยกลับเป็นของหน้าเบื่อหน่ายจนเกิดความขยักขยงถึงกลับจะฝืนชันต่อไปไม่ได้ราวกับสิ่งนั้นๆ น, น ไม่เคยเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตธาตุขันมาก่อนเลยความเบื่อชนิดนี้เป็นโลกาณุวัตแบบโลกเบื่อกันทั่วไปเป็นความเบื่อแฝงธรรมะไม่ใช่มัชชิมาที่ท่านพาดำเนินท่านว่าความเบื่อชนิดนี้แหละที่ทำให้พระบางองค์ในครั้งพุทธกาลเบื่อตัวเองถึงกับจ้างเขามาฆ่าตัวให้ตายซึ่งเป็นการเบื่อผิดทาง และเป็นความเบื่อชนิดที่ทำให้เกิดความคับแคบตีบตันขึ้นภายในไม่ปลอดโปร่งโล่งใจซึ่งเป็นการสร้างกิเลส ข, ขึ้นมาอย่างลึกลับโดยไม่รู้สึกตัวและเชื่อตามอย่างสนิทใจผมมาจับมารยาของกิเลส ต, ตัวนี้ได้ก็ตอนเบื่ออาหารครั้งนั้นเองแต่สติปัญญาเราทันกลมารยาของมันเสียก่อนที่มันจะได้ท่าและลุกลามกว้างขวางออกไปเบื่ออวัยวะและชีวิตจิตใจ พอพิจารณารู้เท่าทันความเบื่อชนิดนั้นก็สงบตัวลงไปเกิดความเห็นจริงชนิดหนึ่งขึ้นมาแทนที่จึงได้ยึดธรรมะนั้นเป็นหลักและยึดความเบื่อนี้เป็นบทเรียนได้ตลอดมาไม่ว่าจะพิจารณาภายในหรือภายนอกกว้างแคบหยาบละเอียดเพียงไรต้องมีทั้งไม้เป็นไม้ตายทั้งไม้รับไม้ต่อยคือพิจารณาทบทวนก้าวหน้าถอยหลัง เพื่อความละเอียดรอบครอบในงานของตนแต่บัดนี้เป็นต้นมาไม่เคยปล่อยตัวด้วยการพิจารณาไปธรรมดาธรรมดาเลยความรู้ประหลาดครั้งนั้นจึงเป็นหินลับสติปัญญาได้เป็นอย่างดีทำให้ไม่นอนใจกับอะไรอย่างตายใจนอกจากได้พิจารณาทบทวนด้วยสติปัญญาชนิดนี้จนเป็นที่พอใจหาที่แย้งตัวเองไม่ได้แล้วเท่านั้นผลจึงเป็นความตายใจอย่างสนิทได้ในธรรมะทุกขัน จึงกล้าพูดได้อย่างเต็มปากแน่ใจได้อย่างภาคภูมิว่าคนเราหาอะไรก็ได้สิ่งนั้นคือหาความโง่ก็ได้แต่ความโง่หาความฉลาดก็ได้ความฉลาดหาความโลภก็ได้แต่ความโลภหาความโกรธก็ได้แต่ความโกรธเต็มหัวใจหาชั่วก็ได้ชั่วหาดีก็ได้ดีหรือหาบาปก็ได้แต่บาปหาบุญก็ได้แต่บุญ หานรกก็ได้แต่นรกความแผดเผาตัวเองหาสวรรค์ก็ได้สวรรค์แม้หานิพพานก็พลความพยายามสแสวงหาไปไม่ได้ไม่ผิดจากต้นเหตุคือการหาการทำเพราะมีผู้เคยหาผู้เคยเจอผลจากเหตุแห่งการหาการกระทํานั้นๆมาแล้วก่อนพวกเราเป็นเวลานานแสนนานนับแต่ตั้งแผ่นดินเป็นสัตว์เป็นมนุษย์สมมุติบัญญัติมา จะมามัวเกาหมัดปฏิเสธดีชั่วสุขทุกันเป็นการปิดทางเดินของตัวให้โง่และเสียเวลาไปเปล่าทำไมกันถ้าว่ามนุษย์เป็นผู้ฉลาดกว่าสัตว์จริงดังคำเสกสรรตัวเองคำนั้นก็ไร้ความหมายอย่งเต็มตัวเกิดมาตายเปล่าเปล่าเพราะความโง่เง่าฆ่าตัวราวกับขุยไม่ไัยนั่นแหละใครจะคิดก็เรีบคิดอย่ามามัวนั่งอมลิ้นอมฟันฟัง และยืนเดินนั่งนอนสังสมความโง่อยู่เ ป, ปล่าเปล่าบทเวลาตายแล้วจะเสียการทั้งเสียข้าวสุก ข, ข้าวสารอาหารหวานขาวเครื่องนุ่งห่มใช้สอยของชาวบ้านที่บริจาคให้ทานหวังบุญเพื่ออุดหนุนกำลังผู้บวช ด, ด้วยศรัทธาหวังเทร์ทูนและตั้งใจละกิเลส ท, ทั้งหลายให้ขาดจากใจแต่ครั้นแล้วแม้สติปัญญาเพียงเท่ า, มาเมล็ดงาขาวรินขายุงพอจะมาฆ่ากิเลสแม่ตัวหนึ่งให้ตาย ก็ไม่มีในใจแล้วอิเลจะตายไปด้วยเหตุผลกลไกอันใดเล่าเมื่อสติปัญญาและความภาคเพียรยังเป็นอยู่แค่นี้ผมรู้สึกจะหมดสติปัญญาแทนท่านทั้งหลายแล้วเวลานี้ดังนี้วทสุดท้ายท่านคงราคาญจึงตีเอาตีเอาเสียบ้างพอไม่เสียลวดลายของอาชาในผู้เกรียงไกรในวงศาสนาแห่งยุคปัจจุบัน การพิจารณาด้วยสติปัญญาอยู่โดยสม่ำเสมอแม้ขณะขบชั้นหรือรับประทานกระแสะแห่งธรรมะเครื่องสองสว่างยังมีทางเกิดได้ไม่เลือกการดังท่านอาจารย์มั่นเมตตาเล่าให้ฟังทั้งเรื่องผิดและเรื่องถูกนับว่าเป็นเครื่องเสริมสติปัญญาสำหรับท่านที่สนใจได้ดีเรื่องเกิดความเบื่อหน่ายในอาหารขณะพิจารณาก่อลงมือรับประทานแม่อุบาสิกาที่นุ่งขาห่มขาวก็เป็นเหมือนท่านอยู่บ้าง ในวงพระปฏิบัติก็มีบางรายเป็นในลนักษณะเดียวกันกับท่านแต่จะขอผ่านไปจะนำมาลงบ้างเป็นบางตอนเฉพาะผู้หญิงนุ่งขาวคือสมัยท่านพักอยู่วัดบ้านหนองผือสกลนครก็มีอุบาสิกาคนหนึ่งมาเล่าถวายท่านถึงเหตุการณ์ที่ตนรับประทานอาหารไม่ได้มาสองสามวันแล้วเพราะความปฏิกูลเบื่อหน่ายอาหารตลอดร่างกายทุกส่วนของตนและผู้อื่น ทำให้เบื่อทั้งอาหารเบื่อทั้งร่างกายและเบื่อทั้งชีวิตความเป็นอยู่ในอุรยาบทต่างๆนอนไม่หลับมองดูอาหารซึ่งเคยถือว่าเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงร่างกายจิตใจมาแต่วันเกิดก็กลายเป็นสิ่งปฏิกูลเหลือประมาณเกินกว่าจะฝืนรับได้ลงคอมองดูร่างกายของตนและของผู้อื่นเห็นเต็มไปด้วยความปฏิกูลทั้งสิน้นราวกับปรชาช้าผีดิบมาตั้งอยู่กับร่างกายทุกส่วน ไม่มีเว้นส่วนใดว่าไม่เป็นปฏิกูลิและป่า ช, าช้าเสียเลยนอกจากเบื่อหน่ายอาหารแล้วยังทําให้เบื่อหน่ายตัวเองและเครื่องนุ่งห่มที่หลับนอนต่างๆเบื่อหน่ายความเป็นอยู่เบื่อหน่ายโลกทั้งมวลไม่มีแม้สิ่งหนึ่งที่น่ารักชอบใจและชวนให้อยู่ในอุรยาบทต่างๆมักบ้วนแต่น้ําลายเป็นประจำเพราะความปฏิกูลสัญญาคอยเตือนอยู่เสมอ ท่านอาจารย์ได้เมตตาอธิบายให้ฟังอย่างเผ็ดร้อนถึงใจเช่นกันจนอุบาสิกาคนนั้นยอมรับความสำคัญผิดต่างๆที่หลอกลวงตัวเองจนเลยขอบเขตความพอดีแห่งธรรมะว่าเป็นความผิดโดยสิ้นเชิงนับตะวันนั้นเวลาเธอมากราบเยี่ยมรับการอบรมท่านถามถึงเรื่องนั้นเธอก็กราบเรียนด้วยความเลื่อมใสและปฏิบัติตามท่านโดยสม่ำเสมอตลอดมา เรื่องทํานองนั้นก็ได้หายไปไม่มาปรากฏอีกเลยจึงเป็นเรื่องน่าคิดในวงปฏิบัติที่มักมีสิ่งแปลกแปลกแฝงขึ้นมากับบางรายอยู่เสมอทั้งผิดและถูกถ้าไม่มีครูอาจารย์คอยแนะแนวทางให้ก็อาจเห็นผิดไปได้ทั้งที่ตนเข้าใจว่าถูกสติปัญญาจึงเป็นธรรมะจาเป็นต่อการปฏิบัติในธรรมะทุกชั้นไม่ควรให้ห่างไกล การปฏิบัติแบบสบายเกินไปแม้ละเอียดถีท่วนในกิจที่ทำอาจได้รับความสลดสังเวชและสมเพศเวทนาจากผู้อื่นเพราะความรู้ง่ายเห็นง่ายและใจเร็วของตนโดยขาดการพิจารณาไตรตรองให้รอบครอบก่อนนำออกใช้ก็ได้การปฏิบัติและผลที่ได้รับแทนที่จะเด่นเลยกลับด้อยลงเพราะความไม่รอบครอบเข้าทาลาย ข้อนี้ท่านนักปฏิบัติธรรมเราควรสนใจเป็นพิเศษหากไม่สุดวิสัยของสติปัญญาจริงๆอย่าให้มีขึ้นได้เนื่องจากธรรมะไม่เหมือนโลกเพราะเป็นความละเอียดสุขุมต่างกันอยู่มากโลกคิดไม่ผิดพูดไม่ผิดและทำไม่ผิดแต่ผู้ปฏิบัติธรรมปืนคิดแบบโลกพูดแบบโลกและทำแบบโลกยอมผิดอย่างน่าสังเวชในทันทีทันใด เพราะความนิยมระหว่างโลกกับธรรมะมีลึกตื้นหยาบละเอียดต่างกันเช่นโลกเขาเรียนและสอนเป็นชั้นเป็นภูมิตามกฎและความนิยมเวลาสอบได้ต้องมีประกาศ น, นียบัตรเป็นเครื่องแสดงและรับรองยืนยันตามชั้นที่สอบได้เพื่อความสะดวกในการงานจากวิชาที่สอบได้และเกียรติยศชื่อเสียงตามวิสัยของโลกที่นิยมกันแต่ธรรมะปฏิบัติของผู้บาเพ็ญ จะคิดแบบโลกพูดแบบโลกและทำแบบโลกเช่นสอบและให้คะแนนกันว่าได้สำเร็จขั้นภูมินั้นหรือได้สมาธิสมาบัติอรหัตตะมักอรหัตตผลย่อมขัดต่อจารีตประเพณีของผู้ปฏิบัติธรรมธรรมะย่อมกลายเป็นโลกและหยาบโลนยิ่งกว่าโลกเสียอีกแทนที่จะน่าอนุโมทนาในกิริยาที่แสดงออกแต่กลับทาให้ผู้อื่นเอือมระอาไปตา ม, ตามกัน เพื่อความราบเรื่อนดีงามของผู้ปฏิบัติมุงอัฏฐะมุงธรรมะเป็นที่อบอุ่นมั่นใจแก่ตนควรจะเป็นไปในทางสงบแม้จะสำเร็จจนถึงขั้นพระอาหารหาัตผลก็รู้โดยทางสันทิติโกหรือปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิแห่งความบริสุทธิ์ใจไม่แสดงออกแบบโลกโลกอันเป็นความอยากยหวิวโหยยอมเป็นการเทริดเกียรติทั้งแก่ตนและพระศาสนาอย่างสุขุมนุ่มนวล ไม่แฝงไปกับความประเทือนน้ำล้นฝั่งซึ่งสุดท้ายก็คือโลกเต็มร้อยเปอร์เซนต์ไม่มีธรรมะของจริงตามคำกล่าวอ้างแม้กระพีติดแก่นที่เรียกว่าธรรมะสมเพศเว ท, เวทนาท่านผู้บรรลุธรรมแล้วผู้อื่นจะทราบได้หรือไม่โดยทางใดนั้นยอมทราบได้โดยทางเหตุผลของการโต้อตอบสนทนาระหว่างผู้ปฏิบัติ ด, ด้วยกันแลรู้ด้วยกันหนึ่ง ทราบได้จากการบรรยายธรรมในภาคปฏิบัติทางจิตตภาวนาหนึ่งทราบได้จากการอธิบายธรรมให้ผู้มาศึกษาจิตตภาวนาที่กำลังติดขัดอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งตามภูมิของตนจนเข้าใจหายสงสัยในจุดนั้นๆหนเช่นผู้ปฏิบัติกำลังติดขัดอยู่ในอวิชชาว่าขณะจิตจะหลุดพ้นจากอาวิชชาจริงๆนั้นจิตปฏิบัติต่ออวิชชาอย่างไร จึงหลุดพ้นไปได้ผู้ที่หลุดพ้นอวิชชาไปแล้วย่อมตอบได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายแม้ผู้กำลังจะก้าวจากภูมิอวิชชาอยู่แล้วก็เข้าใจความหมายไปโดยลำดับหรืออาจเข้าใจและก้าวล่วงไปตามอุบายที่ท่านให้ไนยะในขณะนั้นก็ได้แต่ถ้าจิตยังไม่หลุดพ้นจะอธิบายไม่ถูกกับจุดของอวิชชาอย่างแท้จริงเลยแม้เรียนอวิชชามาจนช่าชอง เราอาวิชชาในความจำกับอวิชชาแท้ไม่เหมือนกันหรือไม่ใช่อันเดียวกันผู้รู้อวิชชาตัวจริงแล้วแม้ไม่ได้เรียนลวดลายเล่ห์เหลี่ยมของอวิชชาอย่างกว้างขวางมากมายก็ไม่สงสัยและไม่ติดอวิชชาเช่นเดียวกับผู้รู้อภิธรรมแท้แล้วแม้ไม่เรียนอภิธรรมอย่างกว้างขวางพิสดารก็ไม่สงสัยและไม่ติดอภิธรรม ผิดกับผู้เรียนอวิชชาแล้วเรียนอภิธรรมแต่ไม่รู้ตัวจริงของอวิชชาและตัวจริงของอภิธรรมเป็นไหนไหนนอกจากทั้งเรียนทั้งรู้จริงแล้วแม้ไม่มีใครบอกก็เข้าใจเพราะผู้ไม่เข้าใจกับผู้เข้าใจธรรมะเหล่านั้นอยู่ในฉากเดียวกันจึงหมดทางอยากรู้อยากเห็นว่าธรรมะเหล่านั้นเป็นอะไรต่อไปอีกเช่นเดียวกับเจ้าของโคอยากพบตัวโค เราติดตามรอยโคไปไม่ลดละจนถึงตัวโคยอมหยุดตามรอยโคในขณะที่พบตัวโคทันทีฉะนั้นเมื่อท่านอ่านมาพบวัวหันป่าเรุณาให้อภัยผู้เขียนซึ่งเป็นป่าเอามากๆด้วยที่เพ้อไปไม่เข้าหลักเข้าเกณฑ์รอบภายในตัวพระป่ามีแต่ธรรมะเพ้อจนหน้าเวียนศรีรษะไม่ค่อยมีธรรมะที่น่าเพลินแฝงอยู่เลย กรุณาปฏิบัติด้วยตัวเองจนรู้ขึ้นกับตัวนั่นแหละจะเป็นที่แน่ใจและภาคภูมิยิ่งกว่าการอ่านการฟังจากผู้อื่นเพราะการทราบจากคำบอกเล่าหรือตำรับตำราจำต้องตกอยู่ในห่วงแห่งความวิภาควิจารกว่าจะยุติลงปลงใจเชื่อได้ก็ต้องรบกับคำติชมที่เกิดขึ้นภายในอย่างหนักดีไม่ดีอาจแพ้ตัวเองได้โดยเข้าใจว่าตนเป็นฝ่ายได้เปรียบ เพราะการตัดสินหรือการให้คะแนนจากการวิจารณ์นั้นก็ได้เพราะปะกติจิตสามัญเรามักส่งออกข้างนอกมากกว่าส่งเข้าข้างในผลที่ได้รับจึงมักแพ้ตัวเองเสมอวิธีท่านแก้จิตท่านเองและหญิงคนนั้น ให้คลายจากปฏิกูลสัญญาความเบื่อหน่ายในอาหารและในชีวิตความเป็นอยู่แห่งอัตภาพร่างกายของตนและของผู้อื่นนั้นเป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับพวกเราที่กําลังตกอยู่ในปัญหานี้ซึ่งอาจจะเจอเข้าวันใดก็ได้จึงได้นำมาลงไว้เล็กน้อยเท่าที่จำได้ดังนี้ขณะพิจารณาอาหารความรู้สึกที่เกิดขึ้นในเวลานั้นท่านว่าท่านกับหญิงคนนั้น มีความรู้สึกต่ออาหารคล้ายคลึงกันคือพอพิจารณาเป็นปฏิกลทั้งอาหารใหม่ที่กำลังผสมอยู่ในบาททั้งอาหารเก่าที่ผสมกันอยู่ภายในร่างกายและนำสิ่งเหล่านั้นมาเทียบเคียงกันโดยถือภายในเป็นหลักยืนตัวแห่งความเป็นปฏิกูลเมื่อพิจารณาหนักเข้าและเทียบเคียงกันหนักเข้าอาหารที่อยู่ในบาตค่อยเปลี่ยนสภาพจากความเป็นอาหารที่น่ารับประทานไปโดยลาดับ จนกลายเป็นสิ่งปฏิกูลไปเช่นเดียวกับส่วนภายในอย่างชัดเจนและเกิดความสลดใจเบื่อหน่ายขึ้นเป็นกำลังแต่เดชะเวลานั้นท่านอยู่เพียงองค์เดียวจึงมีโอกาสได้พิจารณาแก้ไขกันเต็มความสามารถอยู่ภักใหญ่จิตจึงได้ยอมรับความจริงและฉันได้ปกติธรรมดาแต่จะรอไว้ลงตอนท่านสั่งสอนญิงคนนั้นซึ่งมีเนื้อธรรมะอย่างเดียวกันนับแต่วันนั้นมา จึงได้เห็นความผาดโผนของจิตว่าเป็นได้ต่างๆไม่มีประมาณและเพิ่มความระมัดระวังต่อการพิจารณาขึ้นอีกเพื่อความละเอียดถี่ถ้วนโดยใช้อุบายพลิกแปลงหลายเล่หลายเหลี่ยมหลายสัรพันในจนเป็นที่แน่ใจต่องานนั้นๆไม่ให้ผิดพลาดไปได้จิตก็นับวันฉลาดแยกคายต่อการพิจารณาไม่มีสิ้นสุดเมื่อท่านมาพักอยู่วัดน้องผือ ก็มีหญิงคนดังกล่าวมาเล่าถวายซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันท่านจึงได้อธิบายให้เธอฟังในเวลานั้นบรรดาพระและเนนก็พลอยได้ฟังธรรมะพิเศษจากท่านโดยยกท่านขึ้นเป็นต้นเหตุแห่งการแสดงว่าเรื่องทำนองที่โยมเป็นนี้อัตมาเคยเป็นมาแล้วและเข้าใจกลมานยาของกิเลสประเภทสวมรอยหรือประเภทบังเงามาแล้วถ้าเทียบก็นิลาคือมหาชนระดับชั้นผู้ดี ซึ่งแต่งตัวสวยงามโกรูราวกับเท้าสักกะเทวราชและนางสุชาดามาจากแดนสวรรค์เดินผ่านผู้คนสังคมชั้นไหนไม่มีใครสงสัยว่าเป็นสัตว์นรกในร่างแห่งมนุษย์เลยเขาจึงสนุกอยู่และไปไหนมาไหนได้อย่างองอาจราวกับนักปราดในแดนมนุษย์ผู้บริสุทธิ์ผุดพองไม่มีใครจับตัวได้ง่ายๆเพราะแผนการที่ทํานั้นเกินกว่าความรู้สึกของมนุษย์ทั่วไปจะนึกสงสัย นอกจากผู้มีในตาแหลมคมมีปัญญาฉลาดและได้รับการศึกษากลมารยาของพวกนั้นในทางนี้มาโดยเฉพาะเช่นเจ้าหน้าที่จึงจะรู้เท่าทันและจับตัวมาลงโทษได้นอกนั้นมันรูปศรีรษะเอาจนเกลี้ยงไม่มีผมเหลือค้างอยู่เลยกิเลสประเภทนี้มีลักษณะอย่างนั้นแหละมันคอยแทรกเข้ากับความปฏิกูลแห่งธรรมะที่ปัญญายัางไม่ถึงจนได้ ส่วนความมุ่งหมายของธรรมะที่พิจารณาให้เป็นปฏิกูลนั้นเพื่อตัดความโลภความอยากในอาหารซึ่งเป็นเครื่องผูกพันจิตใจให้กังวลมวลหมองตัางหากมิได้เป็นปฏิกูลเพื่อส่งผลให้คนอดตายและฆ่าตัวตายซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสพวกนี้มาบางเงาแห่งธรรมะทำหน้าที่ของตนแบบโลกที่ถูกกิเลส ช, ชักจูงทำกันแต่เป็นปฏิกูลแบบธรรมะคือส่วนปฏิกูล ก็รับทราบว่าเป็นปฏิกูลส่วนที่ต้องอาศัยก็ยอมรับว่าต้องอาศัยกันไปตลอดการของขันอย่างร่างกายก็เป็นส่วนหนึ่งแห่งความปฏิกูลอาหารก็เป็นส่วนหนึ่งแห่งความปฏิกูลของปฏิกูลด้วยกันอยู่ด้วยกันก็ได้ไม่เป็นค่าศึกต่อกันไม่ควรแยกจากกันโดยการไม่ยอมรับประทานอาหารซึ่งเป็นความเห็นผิดไปตามกิเลสประเภทสวมรอยหรือบางเงา ส่วนผู้พิจารณาคือใจก็เป็นส่วนหนึ่งตังหากจากสิ่งปฏิกูลนั้นๆมิได้มีส่วน8ดเปื้อนด้วยสิ่งดังกล่าวพอจะให้เกิดความเบื่อหน่ายเกลียดชังขนาดลงกันไม่ได้ธรรมะคือความพอดีทุกแขนงของธรรมะการพิจารณาทั้งหลายไม่ว่าส่วนใดหรือสิ่งใดก็เพื่อลงสู่ธรรมะคือความพอดีไม่ปีนเกลียว การพิจารณาปีนเกลียวจนอาหารกับร่างกายและกับใจลงกันไม่ได้นั้นคือเรื่องของกิเลสโดยตรงไม่สงสัยว่าเป็นสิ่งที่ควรติดใจและดำเนินต่อไปต้องพิจารณาจนความปฏิกูลทั้งข้างในข้างนอกลงกันได้ใจเป็นกลางอยู่สบายนั่นแหลจึงถูกกับความมุ่งหมายของธรรมะไม่ลำเอียงดังที่กำลังเป็นอยู่เวลานี้ ความปฏิูลก็เป็นธรรมะเครื่องแก้ความลืมตัวที่ไปสำคัญว่าสิ่งนั้นสวยงามสิ่งนี้อร็จอร่อยน่ารักน่ารับประทานนั่นเองเมื่อพิจารณาจนจิตผ่านความลืมตัวขั้นนี้ไปแล้วใครจะไปหาบหามกอบโกยเอาความปฏิูลไปนิพพานด้วยเล่าเพราะเหล่านี้เป็นเพียงทางเดินเพื่อพระนิพพานอันเป็นธรรมะไม่เกเกี่ยวข้องแวะกับสิ่งใดในสมมติ เมื่อจิตติดความสวยงามก็เอาธรรมะปฏิกูลมาแก้จิตติดชังก็เอาธรรมะเมตตามาแก้ติดโลค ก, ก็พิจารณาความเห็นแกนตัวจัดมาแก้กันติดหลงคำว่าหลงนี้ลึกซึ้งมากแต่จะอธิบายย่อๆพอได้ความเอาโอปัยิกธรรมคือพิจารณาดูใจตัวลุ่มหลงกับสิ่งเกี่ยวข้องอันเป็นอุบายรู้ตัวและแก้กันไปโดยลําดับ ติดโกรธก็พิจารณาตัวโกรธที่กำลังเป็นไฟเผาตัวอยู่ภายในก่อนจะระเบิดออกไปเผาผู้อื่นจนเห็นโทษแห่งความโกรธของตัวเมื่อพิจารณาแก้ถูกจุดสิ่งเหล่านั้นก็ค่อยเบาลงและดับไปเองเพราะไม่มีเครื่องส่งเสริมมีแต่เครื่องตัดรอนอีเลดจะได้อาหารที่ไหนมาเลี้ยงให้อ้วนหมีพีมันสืบอายุ ต, ต่อไป เมื่อไม่มีใครยินดีด้วยช่วยประครับประคองมันต้องตายแบบสัตว์ไม่มีเจ้าของแน่นอนไม่ต้องสงสัยเคยเห็นมิใช่หรือประประวัติของพระพุทธเจ้าและสาวกท่านท่านส่งเสริมหรือท่านฆ่ามันเล่าผลของท่านที่ได้รับเป็นอย่างไรบ้างอัศจรรย์ไหมไหร่บ้างในโลกเสมอเหมือนท่านแต่พวกเราทําไมมิต่พากันตั้งหน้าส่งเสริมประคองเลี้ยงดูมันจนเหลือเฟือ แต่ตัวเองกลับจะตายยังไม่สนใจคิดกันบ้างบ้านเรือนตึกห้างเรือนโรงต่างๆก็อยากได้ร้อยชั้นพันชั้นเครื่องประดับตกแต่งต่างๆก็อยากได้ดาวบนฟ้ามาประดับให้งามระยับจับตาถูกใจกิเลสตัวไม่มีความอิ่มพอเงินทองก็อยากได้กองใหญ่สูงจะรถฟ้ามองมาจากทิศใดก็ให้เห็นแต่กองสมบัติของตนคนเดียวแม้สถานที่จะเต็มไปด้วยกองสมบัติ จนเจ้าของไม่มีที่อยู่หลับนอนก็ยอมทนทุกข์เอาขอแต่ให้มีให้ได้อย่างใจกิเลสก็เป็นพอสามีภรรยาหญิงชายมีเท่าไรในโลกก็อยากเที่ยวกว้านมาเป็นของตัวคนเดียวไม่ยอมให้ใครมายุ่งเกี่ยวเพราะจะผิดใจกิเลสตัวมหาโลโพที่เป็นจอมโลภบนหัวใจว่าอย่างไรจะยอมอดตายไปกับความปฏิลจำพวกสมรอยหรือจะยอมรับประทานไปตามความพอดีคือธรรมะ ด้วยสติปัญญาเป็นเครื่องแบ่งสรรปันส่วนอตมาเคยเป็นมาแล้วและเคยรบจนเห็นดำเห็นแดงกันมาแล้วจึงกล้าพูดอย่างไม่อายและไม่กลัวใครจะว่าบ้าหรือว่าอะไรทั้งสิน้นนี่แหละคือความรู้แฝงธรรมะจงทำความเข้าใจไว้เสียบทนี้นักภาวนาที่เกิดความรู้ความเห็นไปต่างๆบางรายก็เป็นขึ้นในแง่ธรรมะอื่นๆไม่มีผู้เตือน จนน่าสมเพศเวทนาของพาหิรชนและชาวพุทธด้วยกันก็เพราะความรู้ประเภทนี้แหละนี่ยังดีมีผู้เตือนไว้ก่อนยังไม่ถึงขนาดยอมอดตายหรือร้องตะโกนว่าเบื่ออาหารเบื่อร่างกายของตัวเบื่อโลกที่เต็มไปด้วยของปฏิกูลเกลื่อนแผ่นดินถิ่นอาศัยตลอดที่นอนหมอนมุง้งส่งกลิ่นฟุ้งไปทั่วพิภ พ, พ, พความจริงกลิ่นที่ว่านั้นไม่มีแต่เป็นขึ้น เพราะสัญญาความสำคัญหลอกลวงตนจนกลายเป็นความเชื่อมั่นจมดิ่งที่ยากจะถอนตัวนี่เป็นคำสรุปของการแสดงที่จวนท่านจะยุติอันเป็นเชิงสักถามและแสดงต่อไปเล็กน้อยก็จบลงพอการแสดงธรรมจบลงหญิงคนนั้นแสดงอาการยิ้มแย้มแจ่มใสราวกับมิใช่หญิงคนที่แบกทุกข์เพราะความเบื่อหน่ายมาหาท่านนั่นเลย เท่าที่จำได้ก็นำมาลงเพียงเล็กน้อยน่าเสียดายธรรมะการ น, นี้ที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังจากใครที่ไหนมาก่อนเลยเพิ่งมาประสบเอาโดยบังเอิญตอนที่ท่านแสดงแกหญิงคนที่มาเล่าถวายท่านเท่านั้นแต่ก่อนก็ไม่เคยมีใครมาเล่าถวายท่านพอได้ฟังบ้างเป็นขวัญใจธรรมะนี้ผู้เขียนให้ชื่อว่าธรรมะขวัญใจเราฟังแล้วจับใจไพเราะเหลือจะพรนน า, นาให้ถูกกับความจริงที่ท่านแสดงได้ จากนั้นท่านก็ไม่เคยแสดงแก่ใครที่ไหนอีกเลย